บทนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องเกี่ยวกับอาโปธาตคือธาตุน้ำที่ทรงแสดงเป็นหลักคำสอนเปรียบเทียบไว้โดยพระยายต่างๆนั้นอีกชุดหนึ่งทรงแสดงให้เห็นว่าชีวิตของบุคคลเราแต่ละคนนั้น ก็เหมือนคนที่ตกลงไปในกระแสน้ำธรรมดาว่าคนที่ตกลงไปในกระแสน้ำนั้นในที่นี้ทรงจาแนกแสดงไว้เป็นเจประเภทด้วยกันประเภทแรกคือคนที่จมลงไปแล้วจมอยู่อย่างนั้นไม่ผุดขึ้นมาทรงหมายความว่าคนบางคนในโลกนี้ ตกอยู่ภายใต้ของอกุศลกรรมบททั้ง10ประการซึ่งเป็นทางแห่งบาปแห่งอกุศลทําตัวให้ตกต่ําในด้านกายในด้านวาจาในด้านจิตใจแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความประพฤติการกระทําของตนให้ดีขึ้นบุคคลประเภทนั้นก็ชื่อว่าจมอยู่ในปรักแห่งอกุศลหาความสุขความเจริญในชีวิตไม่ได้ แม้ในชาติปัจจุบันเมืหลังจากตายไปแล้วก็มีคติที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับบุคคลผู้นั้นในช่วงที่ยาวไกลออกไปก็ชื่อว่าเป็นวัตคานนกคือเป็นหลักต่อของวัตตะโอกาสที่จะประสบความสุขความเจริญในระดับต่างๆจึงมีไม่ได้อกุศลกรรมบททั้ง1ิประการนั้น เป็นหลักธรรมที่ทรงนำมาแสดงมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นการแสดงแก่พุทธบริษัทฝ่ายอุบาสกและอุบาสิกาเพราะอะไรเพราะว่าความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลแต่ละคนและสังคมมันเป็นส่วนรวมตลอดถึงโลกทั้งหมดนั้น เกิดขึ้นจากการสะท้อนของจิตใจแห่งบุคคลที่ประกอบด้วยอากุศลแสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นการประทุสร้ายการเบียดเบียนกันในชั้นหยาบรุนแรงจึงทรงบัญญัติไว้ด้วยศีลอย่างที่สมาทานกันในชั้นที่ลดลันลงมาก็ทรงแสดงด้วยรูปของกุศลอากุศลกรรมบท ซึ่งเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามบันทอระงับจับจังความรุนแรงแห่งอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้อกศุศลกมดสิบประการก็คือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเรีวไหลโลภอยากได้ของของคนอื่นพยาบาทปองร้ายคนอื่นและเห็นผิดจากทานองครองธรรมถึงแม้จะกระจายออกไปถึง6ประการถึง10ประการด้วยกัน แต่ตัวการที่สำคัญจริงๆก็อยู่ที่ความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเพราะการกระทาของคนก็ดีการพูดของคนก็ดีและพฤติกรรมเหล่าอื่นก็ดีนั้นเป็นการสะท้อนออกมาจากจิตเป็นประการสำคัญถตาหากว่าจิตมีความคิดเห็นที่ถูกตรงตามธนองครองธรรมแล้วเวลาแสดงออกมาจะทางกายทางวาจาทางกิจการงานต่างๆเป็นต้น ก็จะประกอบด้วยสุจริตแต่ถ้าเห็นผิดก็กรอให้เกิดทุกข์โทษด้วยประการต่างๆเป็นตัวอย่างที่พ่อเ็นกันได้ในที่ทั่วๆไปบุคคลประเภทที่สองนั้นจมลงแล้วก็โผล่ขึ้นแล้วก็จมลงอีกซึ่งหมายความว่าเป็นประเภทของบุคคลที่ไม่ค่อยจะมีความมั่นคงในด้านการประพฤติปฏิบัติธรรมะทางศาสนา แพีนก็อาจจะมีศรัทธาในบางครั้งศรัทธาเสื่อมไปในบางคราวมีศีลในบางครั้งศีลเสื่อมไปในบางคราวมีหทิในบางครั้งหิริก็หายไปในบางคราวมีลักษณะที่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในกระแสน้า <c oughs> ก็จมจมโผล่โอยู่อย่างนั้นเอง <c oughs> ซึ่งลักษณะชีวิตแนวนี้ก็มีความเสี่ยงที่ออกเกียสูงอยู่หลักธรรมที่ ท่านแสดงไว้ในที่นี้ก็ได้แก่สัตยธรรมเจ็ดประการได้แก่ศรัทธาความเชื่อศีลการรักษากายวาจาเรียบร้อยฤิริความละอายแก่ใจอุ ต, ตะปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปวิรยิยะพูงศักดิการศึกษาสัับฟัง ม, มากวิริยะความเปลี่ยนและปัญญาความรอบรู้ถึงแม้จะเป็นการกระจายองค์ธรรมออกไปถึง7ประการที่ใช้ท่านใช้คำว่าสัรธรรม แต่ถ้าหากว่าบุคคลมีหลักของศรัทธากับปัญญาคุมอยู่แล้วยังอื่นก็เดินไปได้แต่ว่าความมั่นคงของศรัทธากับปัญญานั้นไม่ค่อยจะมั่นคงมากนักทำให้การดำเนินชีวิตของบุคคลประเภทนี้ก็มีลักษณะโผล่ๆอยู่ในกระแสน้าดังกล่าวแล้วบุคคลประเภทที่สามนั้นเป็นคนที่โผล่ขึ้น แล้วก็ส่งตัวไปได้ถึงหมายความว่าบุคคลประเภทที่ได้ศึกษาได้สดับสัพ์ฟังธรรมลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมะตามหลักที่ส่งแสดงเอาไว้แล้วสามารถประคับประคองตนเอาไปได้คือไม่ถึงกับเสื่อมไปแต่ไม่ถึงกับเจริญมากยิ่งขึ้นในด้านของสัทธาศีลอิริโอตปะวิริยะปุสจะ ปัญญาที่บุคคลเหล่านั้นได้น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติก็มีความมั่นคงอยู่ภายในใจตนไม่ถึงก็ตกตามไปแต่ไม่ถึงเจริญขึ้นซึ่งก็หมายความว่าเป็นการตั้งหลักได้สําหรับบุคคลนั้นๆการปฏิบัติในชั้นนี้จะเห็นได้ว่าก่อให้เกิดผลเป็นความมั่นใจแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ เป็นการกำหนดคติพบของตนได้อย่างมั่นคงพอสมควรบันไดสามขั้นนี้ก็เป็นบันไดขั้นของกัรลยาาของปุตุชนทั่วไปประเภทแรกก็เป็นพาละชนโดยตรงประเภทที่สองก็ขึ้นขึ้นลงๆเป็นพานในบางครั้งเป็นบัณฑิตในบางคราวประเภทที่สมก็เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในชั้นของปุตุชน พระมรที่ทรงจำแนกแสดงออกไ้นั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอริยทรัพย์ที่เปรวยทรัพย์อันประเสริฐแล้วก็เป็นสัจธรรมคือตัวคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลนำไปประพฤติปฏิบัติได้แล้วย่อมจะดึงกุศลละธรรมเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศรัทธาศีลอิริโอตปา และปัญญาพระธรรมเหล่านี้เป็นสื่อที่จะดึงเอาความดีเหล่าอื่นให้บังเกิดขึ้นได้อีกเป็นนันมากการทรงการที่ทรงจำแนกองค์ธรรมออกไปเป็นหลายข้อถึงหข้อเจข้อนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องน่าห่วงใย ห, หรือน่าหวาดกลัวแต่ประการใดเพราะกุศ ล, ลธรรมนั้นก็เริ่มด้วยสูตรของกุศลละธรรมอย่างที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่าขอให้เกิดขึ้นสักองค์หนึ่งก่อน องค์อื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเราทำทั้งหลายจึงมักเน้นที่ศรัท ธ, ธากับปัญญาจึงพร้อมที่จะเป็นสื่อดึงความดีเหล่าอื่นให้เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจแต่ในขณะที่ความดีเหล่าอื่นเพิ่มขึ้นนั้นปริมาณของศรัท ธ, ธาและปริมาณปัญญาก็จะสูงขึ้นก็ให้เกิดความมั่นคงยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเองได้ในชั้นนึ่ง ในชั้นที่สนั้นคือบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วแล้วมองไปในด้านทิศ ต, ต่างๆได้ซึ่งหมายความว่าก็ทรงตัวทรงตัวอยู่ได้นานแล้วมองซ้ายมองขวาไปในทิศ น, น, นั้นได้ในที่นี้ทรงหมายเอาพระอริยบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสคือพระโสดาบัน พระโสดาบันนันสำนวนบาลีใช้คำว่าทิฏฐิสัมปันนะบุคคลคือบุคคลที่สมบูรณ์โดยทิฏฐิความเห็นความเห็นของท่านจะไม่วิปริตคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในด้านพื้นฐานทางใจนั้นก็นละความเห็นเป็นเหนตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาจนแบ่งเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขา ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นภายในสังคมเป็นอันมากเนื่องจากพระโสดาบันได้ถ่ายถอนสิ่งที่เรียกว่าสักกายติทิคือความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกไปจากตัวท่านเมื่อถือว่าไม่มีตัวมีตนอยู่ที่ตนเองแล้วสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตนไม่ว่าของตนหรือพวกตนก็ถูกบรรทาประบางลงไป ความเครือบแคลงสงสัยที่มีอยู่ภายในใจซึ่งเป็นปัญหาหนักในการดำรงชีวิตที่พระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงแสดงออกมาเป็นรูปธรรมด้วยวิธีการต่างๆเช่นว่าเป็นทางกันดานบ้างเป็นทางที่เสือโคร่งรออยู่ข้างหน้าบ้างเป็นทางแยกที่มีอันตรายหรือทางที่ขรุขระบ้างเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถมองเห็นได้ว่า สตรบใดที่ใจ ย, ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสงสัยในเรื่องของพ ร, รัตนัตรและสงสัยในหลักปฏิบัติที่สรุปรวมเป็นศีลสมาธิปัญญาจูสตรบนั้นโอกาสที่จะได้หลักยึดเหนี่ยวใจอย่างมั่นคงก็มีไม่ได้แต่พระโสดาบันนั้นท่านสามารถละสิ่งที่เรียกว่าวิจิกิจฉาออกไปได้ ก้อนี้ถพิงเข้าใจว่าระดับกรรมฐานการเป็นเพียงสงบวิจิรกิจเท่านั้นไม่สามารถละวิจิรกิจได้แต่พอถึงระดับนี้ก็จะมีการละได้โดยสิ้นเชิงจะไม่สงสัยในเรื่องแประการคือในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในตรายสิกขาในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปฏิจจสมุปบาท ซึ่งแต่ละอย่างนั้นจะพบว่าเป็นการสรุปรวมเรื่องของพระศาสนาทั้งหมดไปในสิ่งที่ก่อให้เกิดความสงสัยและเมื่อท่านหมดความสงสัยในเรื่องทั้ง8ประการก็ชื่อว่าเป็นการถอนสิ่งที่เรียกว่าตปูตรึงใจอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วออกไปด้วยและความเชื่อถือในเรื่องที่ไม่ยุติด้วยห ล, หลักฐานเหตุผลและความดี ในเรื่องโชครางของขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นต้นและแม้แต่ความปักใจในวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยถือว่าวิธีการนี้เท่านั้นที่จะก่อให้เกิดผลเป็นความสมเร็จแล้วก็ปฏิเสธวิธีการเหล่าอื่นก็จะไม่มีในจิตใจของท่านเหล่านี้เพราะะไรเพราะวิธีการก็คือวิธีการเท่านั้นเอง แม้ในการปฏิบัติกรรมฐานก็ทรงจำแนกวิธีการเอาไว้ก็เดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันถึง4ี่สิบวิธีด้วยกันในชั้นของวิปัสสนากรรมฐานทรงแสดงไปถึงเจ็ดสิบเอ็ดวิธีด้วยกันซึ่งใครจะไปสายไหนก็ได้แต่จะมีเป้าหมายบรรจบกันในโอกาสหนึ่งก็สำคัญในชั้นของการปรฏิบัติให้เดินไปตามเส้นทางที่ทรงแสดงไว้เท่านั้น แม้จะออกจากคนละจุดแต่จะมีเป้าหมายบรรจบกันพระโสดาบันทันละความยึดถือในแนวนี้ลงไปได้ที่สำนวนบาลีใช้คำว่าศีลพัตปรามาสนี้ก็เป็นบุคคลประเภทที่ห้าบุคคลประเภทต่อไปก็คือบุคคลประเภทที่สี่บุคคลประเภทต่อไปก็คือท่านที่ <c oughs> โปรขึ้นแล้วก็เตรียมที่จะข้ามได้ <c oughs> ได้แก่พระอริยบุคคลระดับที่เป็นสกิทาคามีพระอริยบุคคลประเภทนี้การละกิเลสต่างๆในระดับสังโยชนไม่เด่นชัดท่านบอกแต่เพียงว่าละส ก, กายทิฐิวิจิกิสาสีลพัตตปรามาตได้และทำราคะโทสะโมหะให้เบาลงส่วนจะเบาลงขนาดไหนนั้น ก็ไม่แสดงไว้ชัดเจนแต่จากหลักฐานที่ปรากฏในที่ต่างๆไม่พบว่าพระอริยบุคคลระดับนี้มีครอบครัวแต่พระโสดาบันนั้นมีครอบครัวเยี่ยงสามัญชนทั่วไปได้ซึ่งก็หมายความว่ากิเลสประเภทราคะก็ต้องสงบไปมากประเภทโทสะก็สงบไปมากประเภทโมหะก็สงบไปมากนอกจากจะมีอะไรมาแทะ <c oughs> มากระแทกกระทันจากภายนอกรุนแรง บางทีสิ่งเหล่านี้ก็จะออกมาในรูปของความยินดีหรือความไม่พอใจตามสมควรแก่กรณีนั้นนั้นท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่เตรียมจะข้ามส่วนบุคคลประเภทที่หนั้นได้แก่ท่านที่โผรขึ้นมาแล้วตั้งหลักได้แล้วก็ได้ที่พึ่งซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนียวที่มั่นคงแน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลง ได้แก่พระรยบุคคลระดับสคือพระอนาคามีพระอนาคามีนั้นแปลว่าผู้ไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกเมื่อไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วท่านจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ในพรหมโลกที่ท่านเรียกว่าสุทธาวาสสุทธาวาสคือเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ตามสมควรแก่อินทรีย์ของแต่ละท่าน อินทรีย์ทั้ง5ประการที่เคยกล่าวมาในตอนก่อนๆคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นมีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันบางคนศรัทธาแ ก, กา่กล้าบางคนวิริยะแ ก, ะก่กล้าบางคนสติแ ก, ก่กล้าบางคนสมาธิแ ก, ก่กล้าบางคนปัญญาแ ก, กา่กล้าความปแก่กล้าของสิ่งเหล่านี้ที่แตกต่างกันนั่นเองทำให้ท่านบังเกิดในสุดทาวาสที่แตกต่างกัน ท่านที่ปัญญาแก่กล้าก็ถือว่าเป็นจุดสุดยอดของพระนาคามีจะบังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุดเป็นผู้ที่แน่นอนได้หลักไม่ต้องหวลกลับมาสู่ชีวิตอย่างอื่นอีกต่อไปคือจะอยู่ในที่นั้นแล้วบำเพ็ญเพียรไปก็จะบรรลุอรหัตและนิพพานในที่นั้นเองที่ว่าเป็นผู้ที่ได้ที่พึ่งส่วนประเภทสุดท้ายนั้น ทรงใช้คำว่าได้แก่ผู้ที่ผุดขึ้นมาได้โผล่ขึ้นมาได้แล้วก็ข้ามข้ามฝั่งขึ้นไปยืนบนตัวหลิงได้ก็ได้แก่พระเรียบุคคลระดับพระอารักษ์ฝ่ายพระนาคามีนั้นละสังโยชนเพิ่มขึ้นอีกสองอย่างคือการมราคะความกำหนัดรักใคร่ในวัตถุกรมทั้งหลายและปฏิฆะคือความไม่พอใจ เป็นกิเลสสายโทสะกับสายโลภะแต่อ่อนๆซึ่งพระยาบุคคลสองท่านข้างต้นได้ละมาแล้วพอมาถึงจุดนี้ก็ละได้ขาดไปไล้ส่วนพระอาหารหันต์นั้นก็ขึ้นถึงฝั่งคือพระนิพพานที่แท้จริงเพราะจะเป็นการดับได้ทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกในตอนต่อไปเมื่อดับขันคือชีวิตร่างกายไปแล้ว ดิฉันใช้คำว่าปรินิพานคือดับรอบหรือบางครั้งบางคราวก็ใช้คำว่ากิเลสนิพานและขันธนิพานกิเลสันิพานนั้นหมายถึงดับกิเลสแต่มีชีวิตอยู่ขันธนิพานนั้นคือดับชีวิตด้วยเป็นการดับโดยไม่มีการเกิดและไม่มีพบสำนับเป็นที่เกิดเป็นการยุติการเวียนว่ายในกระแสของแม่นาม้าอย่างที่ส่งแสดงไปในที่นี้ พระหันท่านจึงตัดมูลรากเง้าวของกิเลสได้สิ้นเชิงและเป็นการตัดเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงคือละความยึดติดในรู ป, ปธรรมและอรู ป, ปธรรมจนถึงรูปฌานและอรูปฌานทายถอนอุทธะคือความฟุ้งสัน้นมานะความถือตัวและวิชาซึ่งเป็นรากของกิเลสทั้งหมดได้หมดสิ้นจากตัวอย่างที่ทรงแสดงไว้ ในพระสูตรนี้เป็นการเชี่ย้เห็นว่าหลักการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีลักษณะเหมือนกับบันไดที่นำบุคคลให้ก้าวเดินขึ้นไปสูงขึ้นไปโดยลำดับโดยลำดับแต่อย่างน้อยที่สุดสาธุชนทั่วไปที่ยังอยู่ในวิสัยจะต้องศึกษาประพฤติปฏิบัติและครองเรือน จำเป็นที่จะต้องอาศัยนัยยะแห่งธรรมะที่ทรงแสดงไว้อย่างน้อยที่สุดก็ควรก้าวให้มาหยุดอยู่ที่ชั้นที่สามคือการโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทรงตัวไปได้โดยไม่ต้องจมลงไปอีกครั้งแล้วครั้งแล้วนั่นก็คือการเพียรพยายามที่จะเพิ่มพูนธรรมะให้เป็นหลักคุ้มครองจิตใจตัวเอง ซึ่งในที่นี้ก็ได้แสดงธรรมะไว้เพียงในกี่ประการตัวการที่สําคัญก็คือเรื่องศรัทธาจะเห็นว่าศรัทธานั้นจะต้องมั่นคงออเพราะอะไรพระศรัทธานั้นจะเป็นฐานส่งคนไปโดยลำดับพระพุทธวจนะที่ทรงแสดงเรื่องที่เกี่ยวกับศรัทธานั้นตั้งแต่เริ่มต้นว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วก็สำเร็จประโยชน์ ศรัทธาเป็นเพื่อนของคนศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งสเบียงคือกุศลก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงว่าบุคคลจะข้ามโอคะห่วงน้ำคือกิเลสได้ก็ด้วยอาศัยศรัทธาศรัทธาเวลาบุคคลได้เสริมสร้างให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมีความเข้มข้นขึ้นโดยลำดับ จนก่อให้เกิดความผ่องใสขึ้นภายในจิตใจในบาลีนั้นท่านได้แสดงอุปมาสัทธาเอาไว้ว่าเหมือนแก้วมั น, นีชนิดหนึ่งเวลาบุคคลใส่ลงไปในน้ำที่ขุนนั้นแก้วมั น, นีนั้นก็จะสลายความขุนที่มีอยู่ภายในน้ำให้เจือจางลงเจือจางลงจนน้ำเข้าสู่ความบริสุทธิ์ ความสะอาดควรแกการบริโภคดื่มกินของบุคคลทั้งหลายธรรมะคือศรัทธาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเะนั้นเมื่อตั้งมั่นภายในจิตใจแล้วก็จะกลายเป็นความผ่องใสแห่งใจลักษณะของศรัทธาเวลาพูดเวลาแสดงจึงมักใช้คำว่าศรัทธาภาษาถัคือความเชื่อและความเลื่อมใสเป็นความผ่องใสาทางจิตที่มีความมั่นคงไม่งอนแงนไม่ครรนแคร ไปตามอำนาจของอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจและตามแรงที่กระตุ้นกระแทกกระทันมาจากภายนอกซึ่งต่หากว่าไม่มีความมั่นคงจริงๆแล้วไม่อยู่ในประเภทของบุคคลที่มองได้รอบทิศทางคือประเภทที่สีแล้วโอกาสที่จะหักเขเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีได้ง่ายสตาทค์จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้ไปอยู่ในจุดที่เป็นอัจฉะคือไม่หวั่นไหว อะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความวันไปก็คือตัวอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั่นเองซึ่งอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อจิตใ จ, จและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลได้ง่ายนั้นก็คืออารมณ์ที่ก่อให้เกิดเป็นความรักความชังและความหลงถ้าอารมณ์เหล่านั้นมีความรุนแรงมากพอความรักความชังความหลง ซึ่งถูกสงบออไว้ก็จะฟูขึ้นเมื่อแกฟูกขึ้นได้แกก็จะเข้าสูตรอีกสูตรหนึ่งของอกุศลคือเมื่ออกุศลข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นอกุศลเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้ น, นเมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วมันก็เดินหน้าได้เพราะศีลก็เป็นความเกี่ยวเนื่องจากศรัทธาศีลในทางพระพุทธศาสนานั้นถ้าลองพิจนารณาดูให้ดีจะพบว่า เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความสํานึกกันดีงามภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ ค, คําว่าข้ามแต่ใช้คําว่างดเว้นใครเป็นคนงดเว้นคือบุคคล น, นั้นนั้นเองจะเป็นคนงดเว้นทำไมจึงต้องงดเว้นเราก็มีเกิดเกิดมีความสํานึกว่าการประพฤติละเมิดล่วงศีนั้น เป็นเหตุแห่งเวรแห่งภัยสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนและบุคคลอื่นเขาคงงดเป็นไม่ทรงใช้คํำว่าหยาหรือคําว่าไม่แต่ใช้คํำมงดเป็นแต่ลักษณะบอกเล่าเฉยๆกว่าคนจะมีศีลได้ก็ต้องอาศัยใจนั้นมีศรัทธามีความป่องใสมองเห็นเหตุเห็นผลในเรื่องนั้นๆเพราะจะทาศีลมีตัวฮิริโอตปะก็เกิดคุ้มครองได้ จะเกิดขึ้นในเวลารวดเด็วแล้วก็คุ้มครองใจตัวเองได้กลายเป็นคนมีหลักทางจิตใจสิ่งอะไรก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้นกาจะอาศัยความรอบรู้ที่ได้ศึกษาสนับสอบฟังมาใช้ความเพียรพยายามความเพียรพยายามนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปในชั้นนี้ก็เป็นความเพียรในสองด้าน ด้านหนึ่งก็คือเพียรละในสิ่งที่ควรละเพียรบำเพ็ญในสิ่งที่ควรบำเพ็ญแต่ถ้าหากว่าจะสรุปให้สั้นเข้าก็เพีเพยรอย่างเดียวคือเพียรบำเพ็ญความดีทั้งหลายการปฏิบัติแม้จะทรงจาแนกแส ด, แดงไว้บางครั้งถึงสี่แนวบางครั้งสองแนวบางครั้งแนวเดียวแต่พอปฏิบัติเข้าจริงแล้วก็จะประสานสัมพันธ์เข้าเป็นหนึ่งเดียว คือผลจะเกิดขึ้นตามสมควรแก่ขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้นั้นอย่างในกรณีละกับบําเพ็ญนั้นก็เหมือนกับนำน้ําขุนค้นออกจากบ่อแล้วนําน้ําใส่เข้าไปน้ําในบ่อนั้นก็จะใส่ผู้ตึงบําเพ็ญก็คือน้านำน้ำสะอาดใส่เข้าไปโดยไม่จําเป็นจะต้องเอาน้ําขุนค้นออกแต่เมื่อปริมาณของน้ําสะอาดสูงขึ้นก็จะทําหน้าที่สลายเอง กุศลธรรมจึงมีหน้าที่ในการสลายบาปสลายอกุศลโดยตรงโดยสภาพโดยฐานะของกุศลธรรมเอก่นั้นอยู่แล้วเมื่อบุคคลใช้ความเพียรพยายามไปจะในด้านเป็นการละกับการบำเพ็ญหรือบำเพ็ญเฉยๆก็ต่าผลจะออกมาเช่นเดียวกับที่ทรงแสดงไว้ในสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบโดยบุคคล ประกอบด้วยปัญญาเป็นหลักในการพินิษพิจารณาแล้วก็สอดส่องตนเองเทียบเคียงดูสภาพจิตของตนเองว่าสามประเภทแรกนั้นเราอยู่ประเภทไหนประเภทจมโดยไม่ยอมโผล่หรือโผล่ขึ้นมาแล้วจมอีกหรือโผล่ขึ้นมาแล้วก็ส่งตัวรักษาตัวไว้ได้ถ้าก็ส่งตัวรักษาตัวไว้ได้ก็เป็นอานให้ความมั่นใจแก่บุคคลผู้นั้นในแต่ละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของศีลขั้นตอนของสมาธิก็ตางเพระาะอะไรเพราะใจเหล่านั้นจะมีหลักยึดเหนี่ยวอยู่เสมอมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาอำนวยประโยชน์และความสุขให้ในชั้นของศีลก็ป้องกันยุติเวรภัยด้วยส่วนตัวและป้องกันเวรไัยแม้เกิดขึ้นแก่ตนในชั้นของสมาธิก็มีความซึส ง, งบ จากนิวรธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจแม้จะมีปัญหาทางอารมณ์ทางด้านจิตใจผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันก็ดีด้วยความเหนียวนึกก็ดีแต่พลังของสมาธิที่บุคคลก่อให้เกิดขึ้นนั้นก็จะทำหน้าที่สงบอารมณ์ประเภทนั้นออกไปแม้จะมีการปรุงคิดคิดปรุงถึงอารมณ์ต่างๆ ก็จะเป็นการปรุงคิดในเรื่องที่เป็นกุศลหรือคิดปรุงในสิ่งที่เป็นกุศลผลก็คือใจจะมีความสงบใจที่มีความสงบก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดปัญญาแสงสว่างขึ้นอยู่ในวิสัยที่จะนำอะไรก็ตามที่จะใช้คำว่ารูปนาะมเข้ามาพิจารณาเห็นจริงตามหลักของระษารลัก เป็นการเตรียมตัวที่จะเข้าไปในจุดซึ่งเมื่อทรงตัวได้แล้วก็มองได้ไปรอบทิศทาง น, นั้นก็คือการเริ่มจะเข้าใกล้กระแสะแห่งพระนิพพานเพื่อการเป็นพระสตรุตตานนทแต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นก็ต้องเพียรพยายามยืนอยู่ในขั้นที่สีให้ได้เมื่อทําได้เพียงเท่านี้ ก็ชื่อว่าผลนั้นเป็นความสุขความเจริญในด้านชีวิตจิตใ จ, จของบุคคลผู้นั้นก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบสื่อต่อไป